ชั่วโมงที่ผ่านมาเรียกว่าสติของฉันมีฐานที่ตั้งเป็นเวทนาทั้งสุขมากและทุกมากปรากฏชัดเจนแจ่มแจ๋วราวกับรูปทรงที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าจิตมีความรู้ชัดถึงสภาพหรือลักษณะของสุขและทุกข์ตามจริงกระทั่งเข้าถึงธรรมชาติของความเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเช่นสุขคือสภาพที่สบาย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 จิตฉันย่างลงไปในทุกของมันขนาดเปรียบเทียบได้ว่ามนุษย์เราหิวจนแสบท้องแล้วอาจทำใจลืมๆได้เมื่อหันไปสนใจสิ่งอื่นแต่ปลาหิวแล้วจะกระสับกระส่ายอยู่ไม่สุขไปทั้งตัวจิตที่รู้สึกหอยหาอาหารนั้นหาความสงบไม่ได้เลยมีแต่คิดพุ่งไปเอาเอะไรที่พอกินได้มาใส่ท้องตลอดเวลา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 และรับรู้เป็นวาระแรกว่าโลกแห่งการมีชีวิตน่ากลัวถึงเพียงนี้ฉันเงยหน้ามองทอดมองไปตลอดแผ่นน้ำที่เรียบสงบผาสุกในสายตาของมนุษย์กำหนดนึกถึงทุกข์ของปลาที่ยังติดอยู่ในใจแล้วน้อมตรวจลงไปเบื้องใต้ผิวน้ำว่าทุกขแบบเดียวกันนั้น มีประมาณสักเท่าใดก็ต้องบังเกิดอาการขนลุกซ่านเกลียวเพราะคล้ายมีคลื่นทุกสาหัสจากความหวิวโหยส่งออกมาจากทั่วทุกหย่อมน้ำรวมกันเป็นปริมาณทุกร้อนมหาศาลณเวลานี้จิตฉันยังไม่เห็นชัดขนาดระบุจำนวนความรู้สึกบอกตัวเองเพียงว่าอาหารปริมาณมากแค่ไหน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 ด้วยสุขภาพย่ำแย่เจ็บอดๆออแอดๆมาตลอดมันไม่น่ารักเหมือนแมวบ้านที่ถูกประครบประงมเลี้ยงดูด้วยนมและข้าวน้ำดวงตาด้านๆของมันเลงมองฉันด้วยแวววอนขอปากของมันขยับร้องเมียวๆมีวเล็กๆแบบไร้กําลังวังชาหน้าแปลกที่แม้มันมีสภาพสมเพศเพียงใด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 โดยไม่ต้องทําความรู้จักเสียก่อนหลังจากร้องขออาหารอยู่พักหนึ่งพอแน่ใจว่าจะไม่ได้อะไรจากฉันมันก็เดินกระต้วมกระเตียมจากไปแบบไม่มีปากไม่มีเสียงฉันมองตามอย่างไม่ตั้งใจนักเห็นมันไปหยุดยืนมองน้ําครู่หนึ่งแล้วเคลื่อนที่ต่อไปดมดมกองขยะเล็กๆ ดูดูท่าทางมันคงเผชิญชีวิตเปลี่ยวได้ตามลำพังมาระยะหนึ่งอาจนับแต่แรกเกิดทีเดียววินาทีนั้นฉันเกิดประสบการณ์สัมผัสทุกภายนอกขึ้นมาอีกกล่าวคือเมื่อไม่เห็นหน้าไร้สง่าราศีของมันเห็นสภาพหัวเดียวกระเทียมรีไปเรื่อยๆแล้วก็เข้าใจความรู้สึกหวาดกลัวเงาหงอย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 จะเกิดขึ้นไม่นานเดี๋ยวมันจะหิวอีกและฉันจะไม่สามารถตามไปช่วยให้มันหายหิวได้ตลอดไปเอาขนมปังมาบิเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแจกปลาตรงท่าน้ำที่เมื่อครูเห็นว่ามีแค่สองสามตัวนั้นผิดถนัดบัดนี้มันแห่กันมาจากไหนไม่รู้เป็นฝูงใหญ่ เพียงโยนเศษขนมปังลงไปแค่ส3งสามชิ้นก็เห็นพวกมันดิ้นโครงครามแก่งแย่งกันราวกับเกิดกะลียุกขนมปังก้อนใหญ่ของฉันแก้หิวปลาโชคดีได้แค่ไม่กี่ตัวและเป็นการประทะประทังเพียงชั่ววูบชั่ววา่าบฉันสัมผัสถึงการหยิบยื่นความช่วยเหลือเล็กน้อยที่มีให้พวกมันได้ในเวลาสั้นแสนสั้น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 โดยความเป็นสภาพที่ปรากฏภายในและสภาพที่ปรากฏภายนอกด้วยมันเป็นอะไรที่ทำให้โลกทัศน์ถึงกับเปลี่ยนแปลงเหมือนคนที่สะดุ้งเพราะได้ยินเสียงร้องเตือนให้ระวังงูพิษบนพื้นขณะ ก, กำลังเดินหน้าระรื่นอยู่ในสวนดอกไม้วิจิตรพลันเหลือบมองพื้นก็พบงูเงี้ยวเขี้ยวขอหน้าขยักขยงชวนสยองกล้าวเสือคลานยเย้ไปหมด และมันก็ไม่ใช่ภาพฝันผ่านเส้ยด้วยแต่ยังคงเป็นฝันร้ายที่ฉันกำลังถูกขังอยู่ในนั้นด้วยตาที่เปิดครึ่งหนึ่งบ้างกลับปิดมิดลงบ้างแล้วแล้วเล่าๆยังไม่อาจลืมตาเต็มเตือนจริงจังเสียที